หลอดซไม่เนีกวนตะบะเหลือใจเหตุซไม่รอใครใครได้ใกล้ก็ลมมาดหรือก็แน่นอนใครจะรอนนี้ลง ิดชักจะบันจองหลงปากหลักรักเธอแทรบัดจนใจต้องปอดจสนาแทรบัดจนใจต้องปอดให้เธอบุญได้ส่งให้มาเจอกับเธอคนรลอ่อคุณนเ่ืไม่มีละพี่ปั่นกะให้มาเฉียบเหมือนกับดารางามสง่านารอ Jump, may be ม walk, not just a walk. y o u เรา